สอนตาพูดด้วยความพอใจเรอฟังก็จงฟังด้วยความพอใจทั้งใจมีคิดใส่ใจตามตามอะไรอะไรก็าตามพยายามเก็บคะแนนให้ตัวเองแล้วเจ้าเป็นสารอธิผู้ฝึกปุหุด ที่สามารถฝึกได้อย่างไม่มีใครเยี่ยงกว่าเราก็พยายามฝึกตัวหรอเหมือนกับนักกีฬาเก็บคะแนนให้ได้โยกไหนที่มันจะตกไม่ให้มั น, นตกผู้ที่ว่งจะให้ตกเรามม่งที่จะแก้ไขไม่ให้ตกถ้าคะแนนตก ว่าเรื่องฝึกไม่ได้ยังหลงอยู่ยังโตดอยู่ยังทุกข์อยู่เวลามันหลงไม่แก้ไม่เปลี่ยนเป็นลูกผมหลงก็หลงรุ่ยไปเวลามันทุกข์ไม่เปลี่ยนทุกข์เป็นลูกผมทุกข์ก็ทุกข์รุ่ยไปอะไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ผิดไม่แก้ให้ถูกต้องก็ผิดเรื่อยไป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 ครอบจักรวาลขนาดที่เปรยเมตตาทั้งหมดคือศีลของเราคือสมาธิของเราคือปัญญาของเราบางทีสังก็แต่ปากสมเนียงจังว่าไม่เน้นไม่ใส่ใจจะเปิดตตาสัตว์ทั้งหลายที่เปลี่ยนเปื่อนโตเกิดเจเจ็บายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวลาหอนโตจงเป็นจกเป็นจกเติดก็ได้ปาปัสานกแก้วนกขนทองแทนที่จะใส่ความรู้สึกเข้าไปให้หมีเมตตาไม่อภัยล้างบาปออกจากจิตใจเหมือนเราล่างหน้าล้างจิ่งโสกออกจากใบหน้าหน้าเนื้อ หน้าในไปพร้อมกันหน้าเนื้อคือหน้าตาหน้าในคือจิตใจแปลงพัแปลงสิ่งสุกปกออกจากปากที่มันมีสุกปกเป็นปากที่มันเกิดสุกปกเป็นคำพูดอะไรที่มันทำให้เกิดทุกข์กโทษลองออก <c oughs> เราสอนตัวเองเก็บตกให้เป็นอย่าปล่อยปะละเลยสอนมาสารถีผู้สอนสว่าสอนหัวสอนควยแต่สอนช่างไม่เคยสอนสอนบ้าเวลาเราขีมาขีมาต้องหัดสอนมัน เก็บตกให้ได้เวลามันเก็บลูกวิ่งไม่ดีก็ชักสายบางเหียนเอาขาเราสอนมันบอกว่าผิดแล้วเก็บใหม่เวลามันทําผิดม้ามันวิ่งผิดจังหวะมันไม่นิ่มแม่ตัวไหนที่ไม่เคยฝึกเวลาเรานั่งมาจจะมันจะนั่งไม่สบายก้นเราจะแตก แต่ว่าตัวไหนที่เราเพิกดีก้นของเราไม่ออกจากหลังมา้าไปพร้อมกันเหมือนเรานั่งอยู่ในที่ที่เหมือนทางมิตรภาพนั่งก็ไม่กระดุกกระดิกเพราเขาทำดีการเพิกมา้าหลองตาเคยเป็นนักขี่มา้า ขีม้าแ่างขีม้าวิ่งลูกลูกวิ่งเล็กลูกวิ่งใหญ่ จ, จะเจ็บให้ลูกวิ่งเล็กก็เจ็บแบบหนึ่งชักสายบางเหียนเอาก้นของเราขาของเราบ้างสอนมันถ้าผู้ที่ฝึกไม่ไม่ไม่คล่องจองกับลักษณะของจังหวะที่มาวิ่งนันก็ ไม่รู้เรื่องสอนมากก็สอนไม่เป็นเอาขาไปเห็บมันนั่นก็วิ่งไม่ได้เหมือนมัดมือมัดเท้าทำอะไรไม่เป็นถ้าจะให้คอมันขึ้นสวยๆหางมันขึ้นสวยๆมีอยู่จังหวะที่เรานั่งถ้านั่งไม่เป็นคอมันต่ำไม่สวยมากวิ่งไม่สวย ต่อมาตัวใดวิ่งยกคอพอดียกขาพอ ด, ออดีใช่ขาเป็นบงเป็นบงมันวิ่งขาเป็นบงไม่ใช่วิ่งแบบโดดเพราะคนฝึกผู้ฝึกไม่เป็นมากก็ไม่รู้จังหวะไม่รู้ภาษาวิ่งตัว่วยก็เหมือนกัน ไปใชยไปขวาไปไม่ตรงเวลาไปใายไม่สอนมันเวลาไปขวาไม่สอนมันมันก็ไปไม่ตรงเวลามันถูกหลักถูกต่อไม่สอนมันมันก็ไม่รู้หลักรู้ต่อถ้ามันถูกต่อมันก็ยังดันอยู่เพราะคนที่เตรียมข้าเตรียมถายไม่ได้บอกมันเวลาใดมันถูกตถูกลากไม่ เราก็ไม <Search> ่เห็นแต่เมื่อเราสัมผัสเวลาเราไถน้าเราก็รู้เวลามันถูกต่อเมื่อเราสัมผัสเราก็รู้ก็สอนมันดึงมันหยุดหยุดนั้นก็หยุดแล้วเวลามันถูกต่อปล่อปมันก็ดันแต่วิตเตอร์เบไถก็หักเทียมเกวียนเทียมเกวียนใส่เบลใส เวเทียมเกลียนควยทํเาเพลียนเรามันไปหลบตอตออยู่ข้างหน้าทางงาําไงต้องจับสายธรมจับสายธรมสอนมันให้โค้งไปหน่อยดนึ่งงั้นเราจับแฮนม์มอเตอร์ไซค์จับแฮน์ยากยานตหลบไปชั่หน่อยเลี้ยวไปชั่งหน่อ ย, ย, อยจับสายธรมเลี้ยวไปจับแล้เลี้ยวไปแล้วอีห้เลี้ยวเลยจับสายธรม ให้มันไปอีกตานหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าพัดเอาทั้งบอกด้วยซ้ายขวบอกมันด้วยคำพูดที่เป็นซ้ายเป็นขวามันศักดิ์สิทธิ์มันจำได้สัตว์แมแต่เสียงเจ้าของก็จำได้ถ้ามันผิดเจ้าของเรียกมันหยุดคนอื่นเรียกไม่รู้ช่างก็ดีอาจจะเป็นเช่นนั้นมา้าวัวควายเหมือนเหมือนกันหมด มันวิ่งอยู่ตรงน้าเวาจะไปะจับมันมันเดินอยู่โ น, น่นมันอยู่ไกลเราบอกหยดุดตันก็หยดุดมองขึ้นมาเห็นเราก็หยดุดหันหน้ามาอ้าบากใส่เราก้อมจะเดบากเดสบายมาให้เราจับ มีเราสอนมันการสอนตัวเองนก็ยิ่งแม่นข่อยการสอนสัตว์จัดว์มันเป็นอันอื่นมันอยู่นอกเรานอกตัวเรามันต้องมั่นใจในะการสอนเราเราเดิอนอยังไงเราเดิอนอยังไงเรานั่งยังไงเราชีวิตเราเป็นยังไงมันง่วงเหรอปล่อยมันง่วงไม่สอนมันง่วงเลยไป มันคิดไปให้มันคิดไม่ได้สอนมันให้มันรู้มันคิดเรื่อยไปมันสุกมันก็สุกไปไม่ได้สอนให้มันเห็นมันสุกว่าสุกไปแล้วก็มันก็ไม่ได้สอนเรียกว่าประมาทผู้มาผู้มาผู้ไม่ประมาทเติรนอยู่ในเพื่อเพื่อนประมาทผู้ประมาทก็ประมาทเรื่อยไป ผู้เนี่ยไม่ประมาทตื่นอยู่ขณะผู้อื่นประมาทย่อมละกันไปไกลไกลกันเป็นโยอชีวิตเท่ากันสิบสี่วันหนึ่งสิบสองชั่วโมงเราใช้ชีวิตอย่างไรถ้าเป็นนักเจริญติมีเจบทเรียนที่มีค่าเลื่อนฐานะของตนเองขึ้นเรื่อยๆมันเพียงพอแล้วชีวิตเรา นด้จะมีอายระมีตามีหูจมูกดิน้นกายใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงสัมผัสให้มันดีผิดก็ผิดตรงนี้ถูกก็ถูกตรงนี้เย็นพระเจ้าชารสมวัติปถงวาชานมิตกวิจาร์ปิติสุขเอกขะตา ละวิตกละวิจารณ์เหตุวิตกละวิจารณละปิติละสุขเสือได้ก็เลื่อนไปอันวิตกวิจารณ์เลื่อนไปเป็นปิติสุขสุขเลื่อนถุกไปเป็นปัจจิปัจจิติเลื่อนไปเป็นอุเบกขาเป็นเอตัคตามีแต่สติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจำนานไป เจนทานที่สี่ที่ห้าเข้าสู่ปัณิพานตอนนี้สุข ก, ก็สุขลุ้ยไปทุกข์ลุ้ยไปไม่ได้สอนตัวเองแล้วก็ฟรีชีวิตลงก็ฟรี free. <c oughs> ปิดฟรี free, free, สุขฟรี free, free, ทุกข์ฟรีแต่ที่จะมีสติหลงกับโลกกัฟรีรื่อยไปไม่ไม่สอนไม่สอนตัวเอง เราจะมาเข้าค่ายฝึกทําให้มันเป็นก็เหนื อ, น, อนสอนเรามาได้เรื่องนี้เราต้องสอนตัวเราเช่นเราเป็นนักกีฬาอะไรก็ตามเก็บตกให้ได้บางทีก็จังหวะเช่นกีฬาหรือฝันมีดฝันขวัญต้องมีจงังหวะตัวที่ตัวทาง ถ้าฟันมีดไม่เป็นมันก็ไม่แรงฟันโจบไม่เป็นฟันโจบก็ไม่แรงเหนื่อยง่ายฟันขวนไม่เป็นฟันไม้ก็ไม่ค่อยขาดถ้าฟันเป็นแรงก็ไม่ค่อยหมดขวนก็เข้ามันไปแรงก็จังหวะชีวิตของเราพลังมัน ใช้ถูกก็ไม่ค่อยบดทดแทนกันได้แต่ใช่ผิดก็หมดอะไรทําอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยเดินขึ้นเขาเดินไม่รู้จักจังว่าบางคนโดนลงเขาขอสันแต่ไม่ไม่เปลี่ยนขาสันดีๆๆให้เป <laughs> ็นหลัเขา ไปยืนอ่ไปยืนอยู่เวลาลงเขาไปไปยืนอยู่ขาสัน่นดิ๊ดดิดิดงานว่าเ <laughs> อ่ถ้าเดินไม่เป็ น, นก็เป็นอย่างนั้นถ้าเดินเป็นก็อย่าให้มันกดถึงดึกอลงไปดึกอแข็งกีเดะอไม่นิ่มเราดึกอ่อนลงไป้ังหวะน่ะนองเนี่ยน้องเนี่ย อ่อนอ่อนลงไปหย่อนลงไปเป็นสปริงเดินไปเท่าไหนก็ไม่สัน่นถ้าเดินล ง, ขงเขาเกินเดินขึ้นขเขาเกินก็ไม่ไหนไปโหมเกินไปไม่มีจังหวะไม่มีความโน้มเอียงไปมันไม่มีจังหวะมันมีน้ำหนักถ้าเดินถูกมันก็มันมีนม้นำหนักเดินขึ้นเดินลงเหมือนกัน ทำอะไรก็หวานกันความสุขก็มีรสความทุกข์ก็มีรสความหลงก็มีรสคมอะไรต่างๆมีรสชาติน่าทำให้มีสติมันก็ย่อมมีมีรสไม่มีรสในเรื่องนามธรรมาน้มธรรมคนละอย่าง หักเนี่ยได้บทเรียนดีดีชีวิตของเราเหมือนตูพ้พระใจไปิกกายของเราใจของเราเนี่ยตติเหมือนเหมือนนักศึกษาก็าไปศึกษาตำราเล่มนี้จนจบปริญญาญาตะปริญญา กำหนดลู่อะไรง่ายๆการลู่ง่ายๆตรงที่มันหลงไม่หลงยาตะปริญาตรงที่มันสุกไม่สุกตรงที่มันทุกข์ไปทุกข์กำหนดลู่ด้วยการลูร่ปีเหล่าคณะปริยาเกตแ ข, ง ไ, แตแขงได้เกตแขงได้ไม่เป็นดุ่นมันเป็นก้อนสุกไม่เป็นสุกทุกข์ไม่เป็นทุกข์โกรธไม่เป็นโกรธหลงไม่เป็นหลง เกิดเจ็บตายไม่เป็นเกิดเจ็บเจบตายเจกเจเรียกว่าติลังคณะปะลินยาปะหานาปริยาทำไม่เรื่องต่างหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปไม่มีเหลือดับคนดับไม่มีเหลือไม่มีเชื่อหมันหมดไปหมดไปหมดไปอย่างนี้ปะลินยาเหมือนกัน เราจึงมาฝึกของที่มันเป็นไปได้ไม่ใช่มาสม 4, สี่สมห้าถ้าไม่ฝึกมันก็จะเสียเวลาเราไม่งานไม่การไม่ลูกไม่หลานไปนเลี่ยงลูกเลี้ยงหลานเถอะนะไปเห็นหะรเห็นหน้าเถอะนะถ้า <c oughs> เรามาฝึกเนี่ยมันก็ทั้งหมดเราเป็นคนคนเดียวเริ่มต้นทั้งหมด ถ้าเราดูแลเราดีๆมันก็ทั้งหมดของโลกทุกคนฝึกมันก็ทั้งหมดของโลกโครจักรวาลครอบจักรวาลถ้าเรานับหนึ่งทุกคนความชั่วความเดือดร้อนไม่มีไม่บีดเบียนตนเองแน่นอนไม่บีดเบียนคนอื่นแน่นอน เจาจะพยายามถ้าเราไม่เบียเบียนตนแล้วไม่ใช่ปล่อยไว้เราไปช่วยคนอื่นนะเขาไม่บีเ บ, บียนเขาไปช่วยคนอื่นนะเขาไม่บียเบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นจนสุดความสามารถของต่อไปเนี่ยอาทิตย์นั่นะ่ะก็ไปไปพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นไม่ใช่ไปหรอ่ <c oughs> <c oughs> ก็ไปแทนพวกเราที่อยู่สุโกโตเราเอาพวกเราไปด้วยนี่มาแทนสุโกโตมาแทนพระสงฆ์สุโกโตมาแทนแม่คีสุโกโตมาแทนบากวัด่าสุโกโตมาแทนคนไทยทั้งชาติว้านี่คนไทยศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนี้ เขสอนไปอย่างนี้ไปประกาศอย่างนี้ไม่ท่อแท้อายุเแก่แล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> ก็หมด <c oughs> หมดจริงๆนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้จะเดินมาธรรมดจากกติโนนมาไม่ก็ เ, เหนื่อย <c oughs> ก็เลยอยากจะมาพักเต้นที่ไห <c oughs> นไกลๆเนี่ยอ่า เอกหน่อยเอกห น, ก, หนก็จะพระแปกที่เต้นน้นวันที่ยี่สิบพฤษภาจะลงไปอยู่เต้นนอนเต้นนอนตากฝนนอนดินเวลาเอาหลังบางระบนดินแม่มันมีความสุขจริงๆไปนอนอยู่ภูเวียงเขาเจะเต้นมากลางให้ฝนมันตก เอาอะไรมาที่นันให้มาตําเอาเตียงเอาอะไรมาเราได้ต้นข้อต้นหนังล้มดีอยู่อยู่ทุ่งนา <c oughs> ก็นอนอยู่อนอนหลังเรานอนบนพื้นเดินเอาฝนจะตกลงมาตกลงมาที่รงมา <c oughs> แล้วก็อยากให้มันตกอยากให้ฝนตกมันเปียกนอนเปียกลงโหล เขบอกออกคนเดินขึ้นไป น, นอนที่เหมือนอยายาว่านอนอย่างนี้นอนคนเดียวเราลองพระกอบกลางเต้นนอนแล้วกันนอนโอ้ยเหมือนกับอยู่กับพระพุท ธ, ธเจ้าพระุทธเจ้ากันตัดชลูกปล่อยโสดก็บนดินตัดชะลูกก็บนแผ่นดินแสดงธรรมก็บนแผ่นดิน ตลอดถึงปัดินิพพานก็บนดินไม่ได้หลังเกียดติสักหน่อยเลยนอนอยู่สองสามคืนรู้สึกว่ามันไม่เหยียบผลแผ่นดินนี้อย่างถนุถนอมอย่างมีชีวิตชีวาเป็นดินนี้ใครเป็นคนหามาไว้ให้เราบรรพบุพรบุษหามาไว้ เป็นพยาตากนั่นนั่งอยู่นั่นเห็นบ้าน น, น, นั่งอยู่นั่นใส่หมวกเทเลยอ่านดูสิรมปณิธานพระชาตากอันตัวข่าชื่อว่าพยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติกู้ระษาชนาะถวายแผ่นดินไม่เป็นพุทธบุชาแก่พราษาดาสำนัพระโคดม ออยยู่โยงคงทนห้าปันปีสำนักขีพร้มปฏิบัติให้เหมาะสมฝึกสมถะวิปัจจนาพ่อชื่นชมขอถวายบังคมบอยพระบาทศาสดาคิดถึงพอ่อพ่ออยู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่กับพระศาสนาพระชาศาสนาคงอยู่คู่กับกษัตริย์ภาราศาสตาปากไวห้คู่กัน เนี่ยแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าปิยสุตากไม่กู้ขึ้นมาประเทศไทยมีประวัติศาส ต, ตั้งแต่เชียงแสนเสียไปแล้วสุขโขทยัยเสียไปแล้วอุยุต่งสียุทธยาเสียไปแล้วแล้วตา ก, กสิลเนี่ยปิยสตากนี่กู้ขึ้นมาเป็นแผ่นดินที่เราอยู่อ๋อใช่ไม่ต้อง ตอวีซ่าเช่นพระจีนแม่คีจีนมาอยู่นี่ต้องเสียภาษีการดูจีบมาอยู่นี่เกือบสามสิปีต้องเสียภาษีทุกปีพวกเราไม่ได้เสียภาษีพระยะตากห า, าไว้ให้เราแผ่นดินนี้จะทํามาค้าขายจะทำอยู่ทํากินได้ทุกพื้นที่ทุกตารางว่าทุกตารางนิ้วสามารถไปอยู่ได้คนไทยนี้บัตรประชาชน ล้วเป็นผ้าโฉมมีจีวรมีบาทมีอ่านสือชุดทิตอลงตาก็สามารถออกหนังสือชุดทิศให้ผู้ที่บวชเป็นสาคนโยมรับอ้างได้มีสิทธิเป็นนายที่เปลี่ยนคนหนึง่งในคนไทยฮ <c oughs> <c oughs> เป็นนี่นะแล้วมีสิทธิที่จะต้องบอกความจริงความเท็จแก่คน ไม่กลัวใครไปลอกหลายประเทศมาแล้วไปบอกว่าหลงมันไม่ถูกลู้สึกตัวมันถูกท้องความโกรธไม่เป็นธรรมควรไม่โกรธเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมควมไม่ทุกข์เป็นธรรมฝึกเอาให้มันเหนือเกิดเจ็บเจ็บตายเรามีทุกข์เปิดเบื้องหน้าเราไมความอะไรต่างๆเราจะอยู่ยงไง นี่แหละฝึกอย่างนี้ฝึกสมถะวิปัสนาพอ่อเช่นชมปยญาตาเขาพูดไปต่างหลายร้อยปีแล้วในกรุงรัโตโคสินในสามลอยปีมาแล้วมีคนพูดอยู่นี้ศาสนานีพ่พระเจ้าภาษาศาสตตัดไว้แม้ชีวิตของเราเนี่ยอะไรเป็นอะไรมองดูเิได้มาจากบัพโพลุดไม่ใช่โรดีวิเศษ มันพบอหลุดที่ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเรามาเนี่ยมีพ่อมีแม่พี่ป้าอาปูยา่ย่าตายายหลายชั่วคนจนมาถึงเราเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรให้มันเป็นชีวิตที่มีค่าอย่าเอาเลือดเอาเนื้อเอากาอาใจไปทำชั่วสงสารพ่อสงสารแม่เอามาทำสิ่งที่ดีที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่เอามาทำดีได้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 เราทำได้เรื่องนี้สิทธิของเราเราไม่โกรธเราทำได้ไม่ต้องขอร้องอขออนุญาตหลองตาอยาให้ผมโกรธด้วยนะหลองตาช่วยผมด้วยก็ไม่ตา้เนี่ยเราห ล, ลงหลองตาผมหลงแล้วช่วยด้วยไม่มีทางหลงเองเปลี่ยนเองทุกเองเปลี่ยนไม่ทุกเองมาเปลี่ยนมาปฏิบัติเปลี่ยนไล่เป็นดีอย่างนี้มันผิดไหม ถ้าผิดก็พั ก, กันหนีอย่ามาอยู่นี่ถ้าลองตาสอนผิดมาอยู่ทำไมฮะถ้าหลงก็หลงไปสิไ ป, ไปทำชั่วทำไปสิไปไม่กีว่ว่าทำชั่วที่สุดไม่มีสิทธิ์เดินทางในประเทศไทยได้ลอนตาเคยสอนเยาวชนจะจ่าเส็บติดสมัยสิบปีผ่านมานะไรแะอยู่กับยาเจ็บติด จนสุดเหวี่ยงทั้งคัญชาทั้งขวินเฮโรอีน e มาถึงขีามากตั้งแต่เฮโรอีน e ไปจับนักเลงสวนลุมตไหมา516ไประดมทำที่นั่นมีปัญหาเยอะสวนลุมพินีเยร่วมกับตำรวจจับนักเลงสวนลุมพินีบอกดีๆอย่าไปจับเขาเขาคุกเขาตลาให้เขามาหาเรา ถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนคิดใหม่ละเลิกมาหารเราเราพาไปบวชจับได้สิบสามคนสรรภาพเอามาบวชเอามาบวชบวชเอาเจ้าคุณเจ้าในวัดไปบวชไม่วัดสนามในสีมาวัดสนามในไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเป็นก้นอิดตะกอลวรานไปนั่งบวชที่นั่นเป็นสีมา นานมาแล้วไม่ได้มีหลังคาชอบผ้าไปแล้วกาอะไรก้อนอิดเก่าๆไปนั่งบวชที่นั่นเจ้าพระจังหวัดเลยเอาไปบวชบวชแล้วแบ่งกันมาหลวงตาเอามาอยู่เนี่ยสองคนตายไปสองคนเหลืออยู่คนเดียวเลิกไม่ได้ <c oughs> เอามาเลิกได้แล้วมันกลับไปอีกนะ่ะมันก็ติีอีก ได้คนหนึ่งคือใครไงเพี่อนได้คนหนึ่งคือใครอ๋อได <laughs> นคนหนึ่งอันนี้ครับเป็นเศรษฐีแล้วยุนสมชายสมทรงที้ยาสวนลมนักแหลงสวนลมนะ๋ั <laughs> นนี้ครับเป็นเศรษฐีแล้วอ๋บางใหญ่เป็นแล้วตั้งบริษัท โรงงานล้วแต่างเนี่ยแล้วก็เอาทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไปเอามาได้แล้วมีเด็กคนหนึ่งติจามะติจามาล้วพ่อก็ก็ปกครองไม่ได้ครูก็ปกครองไม่ไ ด, ได้เอามาให้พระให้ อำเภอ ร, ร่วมกันกับตำรวจอำเภอลงไปบบานต็้กำกับการตำรวจภูธรแจ้งข้อผู้หนวการลรงพยาบาลแจ้งข้อวัดป่าสุโกโตร่วมกันเอามาให้ผู้ใหญ่บ้านกับนั้นจับเมาคนที่ติดยามามีปัญหาเป็นคนเป็นคน อะไอในในในสังคมนี่เด็กคนนึงีย่ยมมากดียามยากเลยอยากได้หมอใใยบอกพ่อชื่อหมอใใยให้พ่อไม่มีเงินบอกพ่อให้ขายควย้วพ่อก็บอกว่าโอ้ยคว้วก็มีเท่านี้ไปทำนาพ่อก็ไม่ขายขึ้นไปบนเล่าไปผูกคอตาย ก็เห็นลูกชายขึ้นไปผูกคอบนเล่าห่อขึ้นไปแก่แก้แล้วก็ยอมขายขวายซื้อหมอนใส่ให้ลกูกอ๋อหองตารู้สึกว่าสลดใจมากขายขวายซื้อมอนใส่ให้ลกูกลูกก็ไม่เล่ามาเรียนมีแต่ตีแจมา้าเล่นก็เลยจับมาห่อจับมาให้ผู้อยูบ่บ้ า, น, า, บา น, นจับมาบ้านใครบ้านมันจะบมาให้ผู้อยู่บ้านมาดูแล เอามานอนพ่อป่วตัวปุ๊บอยบ้านมานอนพอ่อป่ตัโอเด็กมามาอยู่ที่วัดแต่ไปอยู่ที่ภูเขาทองที่นั้นมีกําแพงให้พ่อแม่ให้พอ่พอเอาเอา๋อเอาพอรอพอปล เ, เอาอะไรรักษาความปลอดภัยมาดูแลแต่ไมก่อนเขาไม่ อ, อ่อพอปอ มีปืนด้วย <laughs> มาดูแลแต่เด็กมันไม่ออกประตูเฉยมกระโดดตกก้านแพงสำรวจหายไปสี่ห้าคนก็รู้เด็กนี่อยู่ที่ไหนก็กล้วก็ตามไปตำรวจตามไป <c oughs> ตามไปก็ไม่เจอแปล ว, ว่าถ้าเกินเจ็ดวันจะจับ ให้พ่อออกมาส่งก็หลองตาก็จตามไปตามไปอ่าเด็คนนี้ไม่เชื่อฟังครูไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไปอยู่กับพระก็ไม่เชื่อฟังพระให้อยู่เพียงเกตวันเนี่ยไปบอกพ่อกับแม่เขาพ่อแม่หอก็ยอมรับเกตวันเท่านั้นเองถ้าไม่กลับนะ ไปในเจ็ดวันเนี่ยจะไห้ไม่กลับไปเข้าคอตเข้าค่ายเนี่ยอ่าจะเดินอยู่ในเส้นทางประเทศไทยไม่ได้เด็ดขาดเลยจะเอาอยัางไงถ้าจับได้จะให้ไปอยู่ในค่ายทหารสามปีไปอยู่วัดเจ็ดวันก็ไปอยู่ในค่ายทหารสามปีจะเอาอยัางไงน้องตาก็เลยไปพูดกับเขาแบบนี้ เธอจะเดินในทางในประเทศไทยไม่ได้ต้องเดินอยู่ในโดงในป่าเหมือนสัตว์จะเอาอย่างไงคนไทยจะเป็นอย่างนั้นหรือเส้นทางทุกเส้นในประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์เดินทางในประเทศไทยได้ต้องไม่กลับถ้ากลับก็บไปพร้อมกับหลวงตาเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเราก็กลับแต่งเสื้อแต่งผ้า ไปเลยมาเข้าข้ อ, ขอนก็ดีแล้วเนี่ยก็ดีแล้วอลา่ายา마ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังพอยังมียามากันอยู่แต่เมื่อสิบปีก่อนน่โอ้โหอดร้อนมากนักเด็งที่จะมานะ เ, เราล่อให้ฟังยิ่งไปอยู่ในคุกยิ่งยิ่งชำนาญให้เราอินสมัยก่อน เอาเฮลินแล้วไหลนะ้ําเอาเสื้อชั้นในเสื้อชั้นในบางๆซักข้สยศาสตรซักข้สยศาสตรไม่ใช่สอนมวยนะอย่าไปทํานะซ <laughs> ักเสื้อชั้นในศาสตรเอาเอาเฮลินเฮลินเบอร์หนึ่งโอนลงไปในน้ําในขันเอาเสื้อซักแห้ตากแห้งหลับไปจุ่มมองไปจุ่มมอง ให้มันดูดดงดูดน้ำหม ด, หมดเอาไปเพลงไว้ในลมมันแห้งครับส่งไ้เพื่อนเพื่อนไปก็บอกเพื่อนได้ไปก็เอาไปเกีวน้ํานิดหน่อยบีบหมอบีบบอกบบก็สูบติดสิทธเมาเหมือนกันเฮโรอีนเหมือนกันนี่จับมันได้ไม่จับอะไรเป็นเสื้อเนี่ยนี่เขาบอกเรานะอจับเข้ามาเขามาควบคุณเอาอยัางไงไปขีดยายได้คุกตลางได้งไง โอ้ยสบายมากแล้วก็พูดนะเรื่องเรียนปริญญาเสพติดยาเสพติดในคุกยิ่งสบายเลยเขาพูดอย่างนั้ป่ามาอยู่ตานนี้การใช้ชีวิตเนี่ยมันจะพิษแต่ชั่วก็อยู่ไม่ได้ลำบากเกิดโลกกะไรอย่างที่หลวงตามาตายสองคนตายไงไงบวนแล้วมันดีแล้ว มันกลับไปบ้านสึกไปสึกไปไปตีดีกไปตีดีกลองตาตามไปตามไปตามไปก็บอกยะว่าลงา่งตาอยู่วะะัดสนามไหนเนี่ยให้มาพบที่นี่จะมาพบว่าไม่เข้มงาอะไรเหอมองแมมระพันกลงคืนมาก็ประตูหลงนะโอพูดเจ้าหน่อยเนาะฟังไหมสนใจไหมเ <c oughs> ขาประตูห ล, ลงตาง เปิดออกมาหมอแมแแบบนุ่งผ้าผู้หญิงนะเสื้อกับพอนื้อผู้หญิงนะแต่ขัเจีงเลยนะเพืเ่อนๆฉันมาฉันน้ำนูกต้ำตาไหลไลายไหลไม่เหมือนผู้คนเลยเอย้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้เมื่อไงเนี่ยพูดเบาผมตีตำรวจตายมาทำไมไปตีเขา ผมทะเลาะ ก, กับเพื่อนผมไปขอปืนตำรวจตำรวจให้ผมไม่ให้ปืนผมผมเลยไปได้เดินไปลานชอบได้แป๊บมาเอ็นตำรวจเตือนอยู่ผมก็ตีตายตายแล้วผมวิ่งก็ตำรวจก็ไล่ไล่เอาหมาไล่ผมก็วิ่งเข้าซอยวันก่เลี้ยงในมันชนํานาญในซอยนะในเฉลิมนะวิ่งเข้าไปกระโดดเข้ากําแพงล่งแต่ร้อนวะ มาก็ไล่าตามไปผมก็เลยไปเปิ ด, ปดไปเปิดอถังซ่วมบอกมุดอยู่ในคูดนั่นในห้องในชลัล่าเอาพอเปิดลงไปไปมุดอยู่ในซ่วมพอคิดได้ไหมห้อยค <c oughs> อเลยซ่วมมันก็มีคูดเป็นน้ําต้องหอยคอกเอาฝาปิดให้มันพอชายใจได้หมาตารวจก็เข้าไปในซ่วมไปเหาอย่างน ตำรวจเข้าไปก็เห็นเหม่เลยแล้วก็ออกไปหมาเขหิวอยู่แล้วไปโดมช่วงมันก็มีแต่คูดเหม็นรตำรวดมันก็เปิดมันจะไปอยู่ได้ไงในโลมช่วงนี่แล้วก็วเขาก็เลิกหลาว่าพอเที่ยงคืนมาเที่ยงคืนมาพอเที่ยงคืนมาก็ไม่มีตำรวจผมก็ขึ้นจอกเขาช่วงผมก็มาอาบน้ําในห้องน้ําเขา เห็นเสื้อผ่าผู้หญิงมันตา ก, กน้ำคู้แล้วใส่มาเข้ามาหาหลวงตาผมเจอโหนรถไฟบางมาหลลงภาคใต้หายญาติที่ น, น่นต่อมาเลยทราวบว่าถามขาา่าวญาติว่าตายแล้วติด้าเสพติดหนักตานนี้นะ่ะชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นเลยฮะเอาไหมแบบนั้นเอาไหม <c oughs> ไม่ชีวิตเรามันเลือกได้คนไทยเนะี่ยประเสริฐที่สุดสงสารพ่อแม่เราน่ยจะทำชั่วได้ยังไงมาเป็นคนดีมาช่วยกันนะ่ยยังมีประโยชน์เยอประเทศชาติเทอนี้โลกมันร้อนครึ่งปีแล้วฝนังไม่ตกฝนตกเมื่อวานเนี่ยไม่มีก้อนเมฆน่าสงสารฝนยอตกก็เกินไม่มีมก้เมฆมันเกิดอะไรขึ้น ไม่มีเมฆทั้งๆในอากาศมันน่าจะตกมันไม่มีเมฆก็ลินนต่อหน่อยๆแม่น้ำของก็แห้งแล้วเกิดความร้อนในโลกขึ้นมาคนทำลายโลกเราจะมาช่วยกันชีวิตหลงตาเนี่ยช่วงไม่นานเนี่ยมารักษาธรรมชาติไว้เนี่ยมหาวันสุขโตเนี่ยโคอทองนะยัองพอมีธรรมชาติเยอบมางมาดูแลหลงตาหมดแล้วหมดสภาพแล้ว มาสอนมาฝึกมาดูแลมีประโยชน์ต่อเพนเดนี่พวกเรานะหลงตามันแกแล้วขออาศัยพวกเราทุกคนเพาะหนุมน่มๆ ม, มาช่วยกันนะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาทาความดีเนะี่ยมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกถูกที่สุดหมันทุกเปลี่ยนทุกเป็นแม่ทุกสูงที่สุดมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นแม่โกรธถูกต้องที่สุด ชีวิตเราต้องอิสระจากเรนี่ไปจนเหนือการเกิดเ จ, จ็บตายไม่ได้พบได้เห็นในสัมมบังสูงในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนเถอะจะพาก อ, องกัน